บทภาชณีติกาภาจิตติ๙๐๕อุปสัมบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอุปสมบันโฮมจิวันสับเปลี่ยนกันต้องอบัตภาจิตตีอุปสัมบันภิกษุณีไม่แน่ใจหฮมจิวรสับเปลี่ยนกันต้องอบัติภาจิตตีอุปสมบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอนุปสมบันโฮมจิวรสับเปลี่ยนกันต้องอบัตภาจิตตีทุกกฎ ภิกษุณีหอมจีวันสับเปลี่ยนกันกับอนุปปัมบันต้องอบัตทุกกฎอนุปปัมบันภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอบัตทุกฎอนุปปัมบันภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัตทุกฎอนุปปัมบันภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอนุปปัมบันต้องอบัตทุกฎ